83. ชาติห้านั้นมีภาวะของอาธิจิตอย่างไรฉะไหนการปฏิบัติธรรมของพูทต้องเรียนรู้ธรรมะที่เป็นชาติอยู่คือธรรมชาติทั้งปวงนั่นเองแล้วจัดการกับชาติเฉพาะที่ตนเองหมายจะดับแล้วทำให้ชาตินั้นดับ จิตที่เหลือก็จะเป็นชาติใหม่ที่สะอาดขึ้นไปตามแต่ละขั้นแต่ละขั้นเมื่อชาตินั้นดับโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเพราะชาติตัวนั้นก็หมดสิ้นไปแล้วพบก็ดับอีทัพปัญาการในปฏิจจสมุปบาทิคืออุปาทานตันหาเวทนาผัสสะ อายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอาวิชาจึงดับตามไปตลอดสายก็มีชาติที่เป็นนิพพติเกิดขึ้นมีพบที่เหลืออุ ป, ปาทานตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอาวิชาใหม่ที่สะอาดไปจากชาติเก่าแล้ว เป็นผู้มีชาติใหม่ขั้นหนึ่งแล้วผู้ปฏิบัติก็ดับชาติตัวอื่นต่อไปอีกๆๆจนกว่าจะหมดสิ้นชาติของอากุศุลกิจที่มีอยู่ในตนของแต่ละคนเป็นผู้มีการเกิดใหม่ในโลกุตระจนกระทั่งถึงที่สุดชาติใหม่สุดก็คืออาภินิพติชาติ5คือชาติสัญชาติ ชาติเก่าที่ยังทำงานเองเกิดเองเป็นสรรชาติยานอยู่ในตนโอกันติความยังลงของภาวะที่เกิดซึ่งเป็นจุดกลางการยังลงของความเกิดธรรมดาก็ยังลงเป็นโลกิยะแต่ถ้าสามารถทำให้เกิดเป็นโลกุตรธรรมยังลงได้ หน่วยการเกิดใหม่ก็เรียกว่านิพพติชาตินิพพติที่สูงขึ้นสูงขึ้นถึงขั้นสุดก็เรียกว่าอาภินิพพติชาติจะสะอาดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติที่สามาทิทีจริงธรรมะความทรงอยู่ของจิตจึงจะสะอาดจากพลังงานที่เราจะไม่ให้มีอยู่ในอ ต, ตาที่เป็นจิตนิยามของเราอีก ถึงขั้นสุดท้ายในความเป็นจิตนิยามของเราเราจึงจะสิ้นความเป็นชีวิตติทสีแห่งความเป็นชีวะบริบูรณ์ไปทะลุขั้นอนุสัยเป็นที่สุด